ท่านฟังที่เคารพคะ่ะการปฏิบัติธรรมในรายการวิทยุดิฉันเชื่อว่าคงจะไม่ค่อยมีใครที่จะกล้ามาใช้นำมากนักแต่รายการนี้เราทำเพราะเราเชื่อว่าพุททวจนะที่ประกอบกับการปฏิบัติธรรมของท่านโดยพระมารชาคาวโรนั้นนะคะสามารถที่จะทำให้ท่านนั่งสมาธิไปได้เป็นอย่างดีและ การกระทํานั้นเป็นการกระทําทางจิตที่สามารถทําได้อย่างต่อนเนื่องตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะทําอะไรด้วยถ้าท่านเข้าใจหลักการนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่จะได้มาเข้าถึงธรรมะในอีกลักษณะหนึ่งเป็นการถามคําถามแล้วท่านพิบูรณ์จะนําพุทธวจนะของพระพุทธองค์นั้นมาเปิดเผยคําตอบให้กับพวกเราซึ่งเรียกเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จนะค่ะน้มักการะทัะนานค่ะเชิญพาน ก็คงจะนิมนต์ให้ท่านได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการสันเสริมพระพุทธองค์ถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงของปีพุทธเชียนตี 2,600 ปีการเกิดมีพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ขึ้นบนโลก<ช>ก่อนเลยค่ะพระชาของเราเนี่ยมีข้อปฏิบัติบางอย่างที่เรียกว่าสามกบางทียังจะทำได้ดีกว่าที่นี้ก็หมายถึงว่าข้อปฏิบัติอย่างเช่นเรื่องทุดงดงควัตอย่างเี้ย ทุกดงควัตเนี่ยพระเจ้ า, บ า, าบางครั้งเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติคือเป็นทางเลือกให้ปฏิบัติเฉยๆแต่สาวกบางรูปนี่ปฏิบัติตลอดชีวิตอย่างเช่นท่านพระมหากัสปะอย่างเงี้ยสมาทานการถือผ้าบางสกุลตลอดชีวิตสมาทานการาถือบินตาบาทตลอดชีวิตแต่พระเจ้าของเราบางทีก็ไม่ได้ทำนะเวลามีคนเข้ามาอ้อนวอนให้สวมจีวนันให้หอมชีวันให้น้อยพระเจ้าก็อนุขขอเคราะห์เข้าด้วยใจงามเวลามีคนมาอ้อนวอนขอให้รับประทานอาหารนี้ให้น้อย พระเจ้าก็รับอาจให้อันดุขรห์ให้ด้วยใจอันงามทั้งนี้เราก็จะพบว่าเออจริงๆพระเจ้าก็มีข้อเขาเรียกว่าผ่อนปลนบางประการเหมือนกันทีนี้เรามามองมุมกลับในเรื่องของนี่คือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเฉยๆนะคุณยมติวทีนี้ทางใจละ่ะพระเจ้าเคยบอกว่าต่อให้ภิกษุพระอรหันตะ์ที่เป็นปัญญาวิมุตต์เนี่ยก็ยังเป็นผู้เดินตามมัชต่า น, นั้นแต่พระองค์เป็นผู้ที่ทำมัชให้แจ้งก่อนเป็นผู้รู้มัชเป็นผู้ออกแบบมัช แต่หเห็นว่าปัญญาของพระองค์นี่เหนือมากะเราจะไปะมองเพียงภายนอกในข้อปฏิบัติอันเข้มข้นบางอย่างนี้ไม่ได้เลยค่ะนะคะนี่ก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าเนื่องจากพระพุทธองค์เป็นผู้ที่มีผู้ศรัทธามากเหลือเกินและหลักการของพระพุทธองค์ก็คือทรงมีเมตตาอย่างยิ่งแต่โดยใช้คําที่ไพเราะเพราะพริ้งมากนะคะ อ, อนุเคราะห์ด้วยใจอัน ง, งานใม ก็จึงทำให้บางคนอาจจะคิดว่าถ้าไปรู้จักพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็จะยงงงว่าเอ๊ะทำไมเป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านยังมีข้อยกเว้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เท่ากับว่าในเรื่องของทางจิตของท่านนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วถูกไหมค ะ, ะรวมทั้งพระอัน์ทั้งหลายด้วยใช่ะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าเป็นพระสงฆ์ก็ลาบากเหมือนกันนะท่เพราะคนศรัทธายเยอะๆอย่างี้ คนก็คิดว่าโว้กต้องดูแลพระสงฆ์ที่เราศรัทธาดีที่สุดเพราะท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญของเราก็จะได้สูงไปด้วยได้มากไปด้วยซึ่งซึ่งในเรื่องนี้เราจะสังเกตว่าเวลาที่เขามาถวายอาหารปัะทาหารพระใช่ไหมก็จะพระนี่ก็จะต้องพิจารณานะแล้วถึงจะรับประทานอาหารได้ไม่งั้นตัวเองก็จะเป็นโทษกับตัวเองในเรื่องการต่เพราะว่าทุกคนนะคะแหมใส่เต็มที่เลยรกชาติจะต้องเลิศ ของลดเลิศเนี่ยลดเลิศเนี่ยก็มักจะเป็นของที่เสี่ยงต่อสุขภาพสูงมันเหมือนกับธรรมชาติเนี่ยให้อะไรมาคมจริงให้อะไรมาเพื่อคนมีสติอยู่แล้วนะคะคือของดีอันตรายด้วยมีทั้งมุมดีมุมไม่ดี <laughs> ก็ต้องใช้สติในการแยกแยะบริโภคใช่ค่ะแล้วในในเรื่องนี้นะพระเจ้าเคยบอกว่าบุคคลใดเนี่ยที่มีสตินะแล้วก็ดูจักประมาณในโภชนาที่ได้มา ย่อมเป็นผู้ที่มีเวทนาเบาบางแล้วก็แก่ช้าสามารถกล่องอายุได้ยืนนานประเด็นสําคัญตรงนี้คือเรื่องของส ต, ติแล้วก็การพิจารณาอาหารก่อนรัประทานค่ะแล้วก็จะทําให้ไม่อ้วนด้วยที่ฉันจาได้ว่า น, นี่เป็นปัญหาของพระเจ้าประสิทธิที่โกศลใช่ที่ในตอนนั้นพระเจ้าประสิทธิที่โกศล น, นี้รับประทานอาหารมากเกินไปเป็นเวลาหลายเดือนเราก็เลยทําให้อ้วนนะไปฟังธรรมก็หลับลก็เลยไปขอพอร ขอให้ผู้เช่าช่วยสอนในวิธีที่ทําไงให้ฟังธรรมะไม่หลับแต่ผู้เช่าก็พูดถึงสาเหตุว่าเออเพราะว่าเธออ้วนงั้นเอาคาถานี่ไปท่องก่อนกินข้าวมีสติท <het water line> ุกเมื่อรู้จักประมาณโภชนะที่ได้มาย่อมแก่ช้าและมีเวทนาเบาบางใช่แถมอายุยืนในต่าเราตรงแง่มุมตรงนี้มีนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเวทนาเบาบางนะคุณหยมติวผู้เช้าเคยบอกเหตุปัจจัยที่ทําให้อายุยืนอยู่เนี่ยมีทั้งหมดห้าอย่างคืออันที่หนึ่งเนี่ย พูดถึงความที่มีธาตุไฟย่อยอาหารพอควรนะไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปอันที่2 <ะ>นี่คือเป็นผู้มีเวทนาเบาบางนี่เหตุปัจจัยที่ทําให้อายุยืนนะอันที่สามนี่คือบริโภคอาหารที่ย่อยง่าย<ะ>แล้วก็อันที่4ี่นี่ก็จะพูดถึงความที่มีสติอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้ว่าอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินจงกรมการมีสติอยู่ตลอดเวลาการที่รับประทานอาหารการที่มีธาตุไฟสม่ําเสมอเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกัน ทําให้เราเห็นว่าไอ้ต้องออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ <strip> ก <oqu ala> ันนะค่ะแล้ว <DA> ก็ด <liter either> ิฉันเข้าใจว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นมาตรฐานจริงๆที่เป็นความจริงที่มนุษย์เนี่ยต้องดำเนินชีวิตตามนี้แต่ด้วยความไม่รู้ก็จึงออกนอกแนวอย่างนี้หรือเปล่าคะแล้วก็เลยทําให้ชีวิตเดือดร้อนคือเขาก็หลงไปตามอาหารใหม่ๆที่มันนํามมานะ <laughs> นะคะทีนี้ท่านฟังที่ครบรอบคพวกเราเนี่แหละเป็นคนที่จะมีปัญหาแบบนี้เพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่พยายามคิดว่าเราจะเข้าถึงสิ่งที่โลกเขาว่าดีที่สุดอร่อยที่สุดเลิศที่สุดได้อย่างไร <c oughs> ทีนี้ไอ้ที่สุดที่สุดเนี่ยมันจะมาสุดสองข้างถ้าจะสังเกตดูคือมันมีทั้งดีทั้งร้ายทั้งพุทบุนคะเพียงผ่านดังนั้นอย่างวันเนี้ย ใครที่กําลังมีความกลุ่มใจอย่างที่ฉันกําลังกลุ่มใจนะคะเพราะว่าระยะหลังเนี่ยก็ออกกําลังกายน้อยที่ท่านว่าเนี่ยคะ่ะแล้ว่า จ, จะเป็นไปตามวัยด้วยก็มีความรู้สึกว่าน้ําหนักเราเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคงจะต้องเอาความรู้พระพุทธเจ้าไปใช้แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าดิฉันกลัวพวกคลินิกลดความอ้วนต่างๆเนีดิฉันจะไปปฏิบัติตามนะคะคือจะบริโภคอย่างมีสติ <c oughs> ใช่ ร, รู้ประมาณในการบริโภคค่ะ <c oughs> แะคะอยังจะได้ของแถมที่จริงของแถมมันเป็นของหลักคืออยากจะแก่ช้าค่ะ <c oughs> <c oughs> บางคนบอกว่าแก่ช้าเนี่ยต้องการมากกว่าอายุยืนอีกนะดิฉันเจอเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งก็ต้องบอกเป็นเพื่อนรุ่นพี่อายุจะเจ็ดสิบแล้ว<อ>ยังดูดีอยู่มากดิฉัก็เลยคุยไปเรื่อยๆถามว่าเอพี่นี่ดูดีมากเลยนะคะอย่างนั้นอย่างนี้ได้รับคําตอบมาดิฉังก็รู้สึกว่าท่านเปิดเผยท่านบอกว่าน้องสําหรับพี่เลยนะอืม มีข้อเสริมความงามอะไรพี่ซื้อหมดแต่ซื้อแล้วไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็อย่างดูสาวเลยมันสำเร็จด้วยใจด้วยหรือไงก็ไม่ทราบมันเกี่ยวกับอย่างนี้ด้วยนะคือคนที่เจริญเมตตาอยู่เสมอๆนะคุณโยมต๋วจะทำให้เป็นผู้มีผิวพรรณงามคือหน้าเด้งได้โดยอัตโนมัตินะคะก็เนี่ยถ้าให้ท่านไพบูลบอกสูตรพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องที่มนุษย์ทั่วไปต้องการ มีหลายสูตรทีเดียวแล้วก็พระพาทธเคยพูดเรื่องนี้ด้วยว่าศี น, นี่ยเป็นวรนนัของเราคือวรรณักคือผิวพรรณจะสวยจะไม่สวยเนี่ยอยู่ที่ศีนด้วยเหมือนกันค่ะจะหาสีดีอันนี้คาถาผิวงามสูตรหน้าเด้งมีมั้ง <laughs> นะคะมีศีนอ่าแล้วก็ถ้าอยากจะอายุยืนแหมมีคาถาอายุยืนด้วยล <laughs> าดไฟสม่ำเสมอคือต้องพยายามรู้ ว่าธาตุแต่ละธาตุนี่เป็นอย่างไรเรามีอะไรมากเราควรจะเติมอะไรน้อยเติมอะไรมากอย่างเงี้ยโอ้โหคือคือถ้าเรากินตามอยากกินตามปากกินตามสีสันเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะทําให้ธาตุไฟของเราสม่ําเสมอได้นะมันจะยาเหมือนกันอืมนักเพื่อนสูตรรับประทานอาหารแบบชนิดที่สร้างความสมดุลระหว่างเย็นกับร้อนนี่ก็น่าจะใช่ตามพุทธวจนะเหมือนกันนะคะอสอดคล้องอะทำไมอี้ใช่ใช่แล้วก็เรื่องของ การจะมีอายุยืนเวทนาต้องเบาบางเวทนาในที่นี้นี่หมายถึงอารมณ์หรือว่าเวทนาเป็นความเจ็บปวดเวทนาเป็นความรู้สึกนะที่เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามมันมีแค่สมอย่างเวทนาในแต่ละอย่างเนี่ยควรจะเป็นเวทนาที่เบาบางถ้าจะพูดให้เข้าใจก็คือไม่หน่วงไม่ไม่อะไรไม่หวือหวาขึ้นลงมากเกินไปจะสุขก็นิดนิดหน่อยหน่อยจะทุกข์ก็นิดนิดหน่อยหน่อย อ๋อใครที่จี๊ดจั๊ดเนี่ยให้รู้ว่าต้องพยายามให้มันกลางๆให้มากที่สุดอะไรจะช่วยได้คะถ้าตามทำเอ่เอก็อย่างสมมุติเรารับประทานอาหารรสจัดอย่างเงี้ยก็แสดงว่าจีา๊ดจั๊ดเกินไปน ะ, ะรับประทานเปรี้ยก็เปรี้ยวจัดเลยก็ไม่ดีสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือว่าเราต้องอมีสติในการที่จะรู้ประมาณในโภชนะที่ได้มาค่ะพูดถึงเรื่องรับประทานอย่าันยังไม่ห่วงแต่เรื่องของใจนะคะอเออจะให้ห้ามยังไงล่ะก็เป็นอย่างเงี้ยก็มันน่าตื่นเต้นนะก็เลย ดีใจมากหรือว่าไม่รู้มันตื่นเต้มือกับทุกอย่างอะ่ะเวลาทุ ก, ก็จะทุกมากเวียงอะ่ะเป็นพวกเวียงใช่ไหมอันนี้เป็นที่อนุสัยของเขาอ น, นุสัยคือความเคยชินนะที่ว่าถ้าเขาจะเป็นคนเวียงเนี่ยคือเ ข, เขาเคยชินแบบเงี้ยเขาเป็นเ ง, งี้ยนะทีนี้ว่าอย่างไรก็ตามไอ้มันไม่มีอะไรเที่ยงนึกออกไหมคุณยมติวแม้ใน อ, อ, อนุสัยมันก็เปลี่ยนได้นะเราก็ค่อยๆเปลี่ยนเอาถ้าเราต้องการผลคือความมีอายุยืนนะกูก็ต้องมีเวทนาเบาบาง อยู่กะลมหายใจจนะช่วยะครคะอ๋อนแน่นอนเพราะว่าเป็นความมีสตินะมีสติแล้วเราจะทำยังไงเราจะเป็นผู้นิ่งเฉย อ, อยู่ได้ไม่เวียงมากค่ะก็จะทำให้เวทนาเบาบางลงได้ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอายุยืนสูตรพระพุทธเจ้าใช่แล้วก็ควรรับประทานแต่อาหารที่ย่อยง่ายอืมแล้วก็ยังรวมถึงการที่ออกกำลังกายด้วยวกกำลังกายนี่จะทาให้ทัชไฟนีสมดุลได้ มีสติตลอดเวลาใ น, ในเรื่องของอาหารนี่ก็ยังมีประเด็นเพิ่มเติมนะคุณโยมติ๋วที่ว่าพระรูชาวดรับประทานอาหารเนี่ยก็เรียกว่าพิจารณาก่อนทุกอย่างคือไม่ได้รับประทานอาหารจนอิ่มจนกระทั่งบอกว่าไม่มีช่องว่างในท้องเลยนถึงแม้ว่าจะโดนคนอื่นเขาอ้อนบอนขอร้องให้รับประทานเนี่ยก็รับประทา น, นอาหารแต่พอดีการเคี้ยวการขบกัดอะไรเนี่ยข้าวทุกคำเนี่ยต้อง เคี้ยวให้ละเอียดก่อนไม่มีเยื่อข้าวที่จะเข้าไปในท้องโดยที่ไม่ได้ถูกขยี้แล้วออันนี้ก็อันนี้นอันนี้บันทึกไวเลยเหรอคะอนนเป็นผู้ทวจนะเลยเคะเ ป, เ, ปเป็นมานพคนหนึ่งเขาสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรับประทานอาหารอย่างนี้มีมานพเนี่ยเขามาเล่าปรรยายคุณสมบัติของพระเจ้ า, หาให้ฟังอนะว่าโอยพระพเจ้านี่เลิศนะเวลากินข้าวนะก็ข้าวทุกเม็ดนี่เกี้ยวละเอียดหมดไม่มีเยื่อข้าวที่เข้าไปในท้องโดยไม่ผ่านการขบกัดอย่างเงี้ย อ, อเคี้ยวกับคําแล้วกลืนเกลือกับคําแล้วก็กลืนอย่างเงี้ยเคี้ยวใหม่ซ้ายขวาก็เขาจะอธิบายอย่างงี้อันนี้ไม่ใช่บรวิวารนะแต่เป็นคํายกย่องเสริญๆของมานพคนหนึ่งค่ะพิจรนาะเนียกว่ามีสติตลอดเวลานั่นไงใช่ใช่ดิฉันว่าในกระบวนการเคี้ยวเนี่ยมันก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ใช้สติกับการเคี้ยวด้วยไหมคะถึงได้เคี้ยวแบบประณี้เคี้ยวแบบละเอียดอันนี้ พูดเป็นหลักการนะคะคือคือ um. สตินี่นต้องมีประกอบอยู่ตลอดทุกอย่างนะคือหมายว่าบางคนมีสติในเคี้ยวเร็วกลืนเร็วก็มีนะบางคนมีสติจะเคี้ยวละเอียดกลืนชาก็มีนะคอืคือเราจะอาศัยแต่กับกิริยาภายนอกเพื่อจะบอกว่ามีสติหรือไม่มีสตินี่มันก็จะพูดยากเพราะสติเนี่ยเป็นเรื่องของจิตในภายในค่ะเรายังมีสติของความฟุ้งซ่านได้เลยในอย่างที่พระเจ้าพูดมีสติในหิวรอนอย่างเงี้ย ก็ยังได้นะค่ะแล้วก็มาเรื่องของที่บอกว่าสูตรที่จะทำให้ผิวสวยหน้าเด้งที่ท่านบอกว่าถ้ามีเมตตาใช่ไหมคะใช่จะทำให้ผิวพันงามเมตตาเลยที่นี้หมายถึงอย่างไรคนะเมตตาหมายถึงความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายค่ะความรักความเมตตาเหมือนกับมารดาถานอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนเนี่ยด้วยการยอมสละชีวิตของตนฉันใด ก, ก็เจริญเมตตาเชนนั้นเหมือนกันคือพยายามว่าเห็นอะไรแล้วอย่าไปมองในทางอื่นนอกจากทางเมตตารักเหมือนลูกเลยมีคนบอกที่ฉันนะคะว่าการที่เราแผ่เมตตามากเกินไปก็ไม่ดีจริงหรือไม่คะแล้วก็ฟังพระวจ น, นะพระพุทธาบอกว่าเมตตาเจตโตวิมุตเนี่ยเป็นของที่ควรทาให้มากควรทำให้เจริญควรทําให้อย่างต่อเนื่องควรทําเป็นสิ่งที่มาก่อนก็ ก็ยิ่งทำมากยิ่งดีอ่ะแปลว่าเข้าใจสมัยถ้าใครยังเข้าใจอย่างที่ดิฉันมากราบเรียนถา ม, มเพราะเมตตานั้นเป็นของที่ไม่มีประมาณได้ใช่นะคะวันนี้เราก็คงจะต้องจบกันด้วยได้เทคนิคไปเยอะเลยเนี่ยรับไปปฏิบัติตามไม่หวัดไม่ไหวแต่รับรองว่าเป็นสูตรเด็ดช่วยอเอาไปขยายด้วยกัแล้วกันนะค ะ, ะบางคนที่มีความปรารถนาจะลดความอ้วนบางจะหน้าเด้งมั่งแต่ว่ามีความทุกข์เลยค่ะ น่ายิ่งเศร้าหมองอ้วนยิ่งอ้วนมากขึ้นเพราะว่าไม่มีสตร ung สตาร์งจะไปเข้าคอร์สหรือว่าเป็นวิธีที่ทําได้ยากก็ปฏิบัติตามธรรมนี่แหละค่ะไปเรื่อยๆนะคะใช้สติเลยกําหนดวันนี้น้มัสการขอบพระคุณท่านเพบู์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเชิญผานค่ะนมัสการค่ะท่านฝังที่เคารพค่ะและสําหรับรายการของเรานะคะรายการ ส, ามสัมม น, นาเนี่ยคะ่ะก็มีทุกรูปแบบ ที่เป็นภูมิปัญญาของพระพุทธองค์มาฝากท่านและเราก็เห็นว่าในฐานะสัมผัสมาเป็นเวลาพอสมควรสิ่งที่พระศ า, าสดาของเราได้ตรัสไว้นำไปใช้ได้ในทุกที่ในทุกสถานในทุกเมื่อเลยค่ะเราก็จะกลับมาพบกับรายการสัมสนีสนทนากันได้ใหม่นะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m 1เ6มรอยหสทรอ แห่งนี้และวิิยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ